ชงไม่ได้ชงใครได้ทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันร้ายแค่ไหนก็เว้นวักให้ทำอะไรดีๆได้หลังวันหยุดยาวปีใหม่ทวัดจากความรู้สึกของหลายคนที่กาลังเดินทางกลับเข้าสู่ชีวิตจริงรับรู้ตัวตนจริงๆในวันที่ไม่ได้สมมติขึ้นมาว่าใหม่อันนี้แหละคือประสบการณ์ขึ้นปีใหม่ของแท้ หลายคนสางเมาแล้วรู้สึกแห้งแล้งหลายคนไม่อิ่มวันหยุดและวโหยหายอีกหลายคนปวดใจกับการกลับมาเจออะไรเดิ ม, ดมแต่ก็มีอีกหลายคนคึกคักกับแผนงานที่เตรียมไว้ยิ้มออกกับโอกาสใหม่ที่มาพร้อมเดือนมการาหรือกระทั่งรู้สึกแปลกไปกับฟ้าใหม่ขึ้นมาจริงๆเพราะบุญที่สะสมมาตลอดปีเก่าออกดอกออกผลเป็นรสุขที่เอ่ยขึ้นล้นใจ อินเทำให้คนพูดเรื่องปีชงกันมากขึ้นปีชงคือปีของฝ่ายตรงข้ามหรือพูดง่ายๆคือปีปร์ประปักกับปีเกิดของตนวันขึ้นปีใหม่จะหยิบยกเรื่องนี้มาแชร์กันบางคนเมื่อทราบว่าปีนี้เป็นปีชงของตนก็หวาเสียวเหลียวหาวิธีแก้เคล็ดกันจ้าละวันซึ่งนั่นก็ทาให้ได้ข้อสรุปว่า คำอวยพรมันขึ้นปีใหม่ไม่มีผลทางใจกับคนสมัยนี้ที่หวดาดผวากับปีชงของตนอยู่เห็นปีใหม่เป็นศัตรูตั้งทงว่าปีใหม่เป็นอาถรรพ์ในทางลางร้ายไปแล้วหากทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าปีชงคือปีที่วิบากร้ายให้ผลมากกว่าวิบากดีก็จะมองใหม่มองให้ละเอียดขึ้น คือคาบเวลาการให้ผลดีร้ายของวิบากนั้นไม่ได้กัดกินหัวใจใครได้ทุกนาทีทุกชั่วโมงหรือทุกวันตลอดปีตลอดชาติร้ายแค่ไหนก็เว้นวักบ้างมีดีให้ทําอะไรดีๆบ้างสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาชื่นตาชื่นใจตัวเองได้เสมอคนที่คิดดีเจอเรื่องแย่ก็คิดเปลี่ยนให้ดีขึ้นส่วนคนคิดร้ายเจอเรื่องดี ก็คิดทำให้มันแย่ลงคิดดีได้เก่งๆจะกลัวชงกลัวชวดไปทาไมจะปีไหนวันใดเราก็รบกับความคิดร้ายได้ตลอดทุกคนสะสมกำลังใจคิดดีได้ทุกนาทีอยู่แล้วคนที่ไม่ยอมแพ้ให้กับความคิดร้ายนั่นแหละคือคนที่จะไม่ห่อเหี่ยวนานและเลือกอะไรใหม่ๆในทางดีให้ตัวเองได้ทุกวัน หมายเหตุผู้อ่านสำหรับปีชงนั้นถ้าจะมีจริงแต่ละคนต่อให้เกิดปีเดียวกันก็จะมีปีชงไม่ตรงกันนะครับการที่คนเราเกิดมาทําดีทําชั่วมาต่างกันก็เหมือนการปลูกต้นไม้แต่ละคนปลูกพันธุ์ไม้ต่างกันอาจเป็นทั้งไม้ป่าไม้ยืนต้นหรือเป็นพืชไร่อายุสั้นต้นไม้แต่ละต้นที่เหมือนกรรมดีกรรมชั่วนั้น ต่างคนต่างปลูกคนละเวลามันจะต้องโตให้ผลในเวลาที่แตกต่างกันหรือแม้จะปลูกพร้อมกันการดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยการจรับแสงและปัจจัยแวดล้อมของต้นไม้แต่ละต้นที่แต่ละคนปลูกนั้นก็มีแตกต่างกันจึงทำให้โตช้าโตเร็วและให้ผลในเวลาที่แตกต่างกันบุญบาปก็เช่นเดียวกันแต่ละคนก็ทาแตกต่างกันมีปัจจัยส่งเสริมให้ผลของบุญและบาปนั้น ออกผลเร็วหรือช้าต่างกันดังนั้นถ้าปีชงจะมีจริงก็หมายถึงปีที่วิบากหรือผลกรรมร้ายคือบาปที่เคยทำไว้สุบงอมเต็มที่พร้อมจะให้ผลในปีนั้นดังนั้นแต่ละคนสะสมบุญบาปมาต่างกันแม้จะเกิดปีเดียวกันก็จะมีปีชงปีเดียวกันไม่ได้การตั้งปีชงขึ้นมานั้นอาจจะเริ่มมาจากแค่เป็นกุศโลบาย เพื่อให้คนฝากไยในการทำบุญทำความดีให้มากขึ้นซึ่งจะมองในแง่ดีถ้าเร่งทำความดีในระดับที่เป็นความดีจริงคือทำบุญให้ทานก็เน้นให้เกิดประโยชน์จริงทานศีลภาวนาทำให้ครบเร่งพัฒนาจิตให้คิดดีพูดดีทำดีตลอดทั้งปีก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและส่งผลดีได้จริงแต่ส่วนมากก็มักเชื่อแบบงม ง, งายกลายเป็นศีลปราปรามาสเป็นมิจฉาทิถิ และมาคิดทำกันง่ายๆด้วยการใช้เงินซื้อบุญเพื่อสะเดาะเคราะแก้ปีชงถ้าศึกษาเรื่องกรรมกันจริงก็จะรู้นะครับว่าบุญหลายอย่างที่คนยุคนี้ทำเพื่อแก้ปีชงนั้นแทบจะไม่ได้เป็นบุญจริงเลยเกิดอา น, นิสงส์เป็นผลบุญจริงน้อยมากและออกไปทางพิธีกรรมไ ร, ร้สาระกก็เยอะบางทีก็ห่วงแต่าทาบุญกับวัดหรือทำพิธีกรรมใช้เงินซื้อบุญเป็นเน้นพิธีกรรมเพื่อหวังจะโชคดีกันเป็นหลัก แต่กลับไม่ได้สนใจพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณของตัวเองที่ควรใส่ใจเป็นอันดับแรกซึ่งคนที่อยากทำบุญเพื่อแก้ปีชงนั้นอยากฝากไว้ว่าทานการให้เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องดูด้วยว่าให้แล้วเกิดประโยชน์จริงหรือไม่และต้องไม่ลืมว่าบุญด้านอื่นยังมีอีกมากที่ท่านเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุโดยที่หลายอย่างมีอ น, นิสงส์เป็นผลบุญได้มากกว่าการให้ทาน เช่นการรักษาศีลที่ทำได้ทันทีและมีอ น, นิสงส์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้จริงยังมีบุญในการทำสมาธิเจริญสติภาวนาการศึกษาธรรมและอีกหลายอย่างที่ถ้าทำได้มากพอก็ส่งโชคดีขจัดหรือบรรเทาโชคร้ายได้จริงและแม้จะเป็นปีชงหรือไม่ทานศีลภาวนาก็ควรหมั่นสะสมไว้เสมอเพื่อเป็นเกราะป้องกันคลายอาหารที่ต้องกินทุกวัน ไม่มีใครบอกเราได้นะครับว่าปีชงคือคราวเครอกของเรานั้นจะมาถึงเมื่อไรและเป็นปีไหนยกเว้นท่านที่ปฏิบัติจนได้อภิญญาของจริงจึงจะรู้ได้ดังนั้นจึงไม่ควรประมาทในกุศลคือให้เร่งสะสมกุศลไว้เสมอเท่าที่จะทำได้จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกคนนะครับ